พระบัญญัติ 1,086 ก็ภิกษุณีใดบวชให้สิกขามานาผู้ศึกษาศิกขาในธรรม6ข้อตลอด2ปีแล้วแต่สงยังไม่ได้สมมติต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ